การฟังจริยาปิฎกก็คือการเรียนพระพุทธคุณ น, นั่นโดยเฉพาะพระปุกพระจริยาคุณคคดังที่เราได้กล่าวกันบ่อยๆว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ถ้าแบ่งแล้วออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือพระปุกพระจริยาคุณคือพระคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในปางก่อนบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาแต่เก่าก่อนอย่างที่สองก็คือพระสรีระคุณ เนื่องจากว่าบุญเนี่ยเป็นตัวที่ตกแต่งให้พระสรีระร่างกายของพระองค์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะสาประการมีอนุพยัญชนะอีก80ประการส่วนคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่เป็นคุณธรรมภายในคุณธรรมภายในเหล่านี้ก็เกิดจากการบําเพ็ญบารมีเหมือนกันก็คือพระพุทธคุณทั้งหลายพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้น ในพระปปะจริยาคุณเนี่ยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็ปฏิบัติเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนให้ทานเช่นใดมาจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ทานเช่นนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่ก่อนรักษาศีลมาเช่นใดพระผู้มีพระภาคของเรา พระองค์ก็รักษาศีลเช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเจริญเนี่ยคำมะเจริญปัญญาเจริญวิริยะเจริญขันติเจริญสัจจะเจริญอธิษฐานเจริญเมตตาเจริญอุเบกขาเจริญบารมีสิบเจริญอุปปารมีสิบเจริญปรมัทบารมีสิบปัญจมหาบริจาคประพฤติจริยาสามเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่เครื่องบ่มโพธิญาณพระองค์ประพฤติเช่นกับ มม พ, พ, รรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กรประพฤติมาเช่นใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ประพฤติมาเช่นนั้นพระองค์จึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบำเพ็ญบุญเนี่ยนะบารมีทั้งหมดทั้ง10ประการเป็นต้นคุณธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ทําชั่วระยะเล็กระยะน้อยแต่ที่แท้แล้วทําด้วยระยะ เนิน่นยาวนานเนี่ยก็คือนานมากเนี่ยการทํานานนั้นก็ไม่ใช่ทําแต่อย่างเดียวทําบุญทุกอย่างและทุกประการบุญกุศลเหล่านั้นที่พระองค์เจริญมากแล้วก็กว้างขวางลึกซึ่งประณีตพันของเราทั้งหลายถึงโคจรตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับนกน้อยที่เที่ยวไปในอากาศซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ พระคุณของพระองค์ได้ทุกแง่ทุกมุม น, นะทุกแง่มุมแต่เราก็เรียนพอเพื่อเจริญสัทธินรีนะเพื่อศรัทธาของเราจะได้มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่อเราจะได้มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในหมู่พระอริยะทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติ ต, ตามพระสัพพัญญูชินเจ้า นั้นเมื่อเรารอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดสัตธินสี่ก็มากเท่านั้นศรัทธาของเราที่มีอยู่นี้เป็นเครื่องบรรลุโสดาปติบันโสดาปติยังคะหรือองคุณแห่งความเป็นพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันนั้นคือผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นอจลัศรัทธาเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่วันไวเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคุณของ พระพุทธเจ้าพันถ้าหากว่าเราทั้งหลายให้สติโครจรไปในพระพุทธเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหรือว่ามีสติโครจรไปในคุณของพระพุทธเจ้านเท่าใดอันนั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์มากเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าประพฤติ ท, ทั้งหมดนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าประพฤติทั้งหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้ทั้งหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกมาสอนแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยสิ่งเหล่านี้ก็มีรถเดียวคือวิมุตติรสพระองค์แสดงเพื่อความพ้นทุกข์แสดงธรรมเพื่อความดับทุกเนี่ยนะแสดงเพื่อความตรัสรู้เั้นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติทั้งหมดนี่ก็ปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้ไอ้การตรัสรู้เนี่เกิดจากปัญญามันพระองค์นี้สแสวงหาปัญญานสะแสวงหาปัญญา บุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างก็เพื่อปัญญาพระองค์นั้นเจริญกุศลให้ทานก็ให้ทานแบบประกอบด้วยปัญญาก็เพื่อปัญญารักษาศีลก็รักษาศีลที่ประกอบด้วยปัญญาก็เพื่อปัญญาอีกนั่นแหละแต่จากการเจริญกุศลเล็กน้อยนะปัญญาแบบทั่วทไปเพื่อมหคตาปัญญาแล้วก็เพื่ออัปปมานะปัญญาแต่ที่สําคัญก็คือเพื่ออาสาธารณะปัญญา ปัญญาที่ไม่ทั่วไปแกเราพระสาวกทั้งหลายปัญญาเหล่านี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าญานนะหรือยานยานเหล่านี้เป็นเครื่องที่ทําให้พระองค์นั้นเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนายศาสตร์ทั้งหลายทัานการประพฤติบารมีของพระองค์นั้นแม้แต่บุคคลทั่วไปเนี่ยนะฟังแล้วก็จิตยังหวั่นไหวจะกล่าวไปใ ย, ยถึงการประพฤติปฏิบัติตามเพราะท่านผู้มีคุณอัศจรรย์เช่นนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะ อพูตะบุคคลเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีแล้วมามีขึ้นแต่ก็อย่างว่าพระพุทธเจ้าเมื่อมีขึ้นมาในโลกก็ประดุดแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ที่โครจรขึ้นมาในโลกก็เพื่อส่องสว่างเมื่อดวงอาทิตย์ส่องสว่างให้แก่โลกศกดวงอาทิตย์ก็โครจรรับไปชั้นใดพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีทุกอย่างเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญพระพุทธกิจโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์พระองค์ก็ชื่อว่าสุขโตผู้เสด็จไปดีแล้วนะฮะอนก็เหลือแต่พระธรรมคำสอนที่เปรียบเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์พระธรรมเหล่านี้นี่แหละที่จะศาสตร์ส่องให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณหาประมาณไม่ได้หมู่พระสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ ก็มีคุณหาประมาณไม่ได้เมื่อเรารู้คุณทราบซึงในพระคุณศรัทธาของเราก็เจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนนะความเพียรพยายามในการปฏิบัติตามก็มากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาดีมีความเพียรที่มั่นคงอย่างนี้สาระเราก็รู้อยู่แล้วนีนะว่าพรตนไตรเป็นสิ่งที่มีสาระเป็นสิ่งที่มีแก่นสาร นนะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างเราก็ไม่หลงลืมเราก็ไม่เผลอไม่เผลอจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่เผลอจากการระลึกถึงพระธรรมไม่เผลอจากการระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะว่าเราเหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนที่มีทรัพย์จริงๆเวลาจะไปไหนเนี่ยไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยนะเผลอไหมที่จะไม่รักษาทรัพย์เนี่ยนะเผลอหมหมายความว่าระวังตัวแจเลยใช่ระวังตัวแจในการ ดูแลทรัพย์ฉันใดผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ที่ภาคเพียรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นก็เป็นคนที่ไม่เผลอไอ้พูดไม่เผลออย่างนี้เรียกว่ามีสติไม่เผลอจากคุณของพระพุทธเจ้าไม่เผลอจากคุณของพระธรรมไม่เผลอจากคุณของพระสงฆ์ส่วนในรายละเอียดสูตรนั่นสูตรนี่เป็นต้นเนี่ยก็คือกิ่งย่อยปลีกย่อยจากพระธรรมตรัยเท่านั้นเองนั้นการ ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องไม่ลืมโครงหลักคือพระรัตนตรยัยส่วนพระสูตรข้อปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็เหมือนกับกิ่งเหมือนกับสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้นเองงั้นแต่ว่าตัวพื้นฐานสาระสําคัญจริงๆก็อยู่ที่พระรัตนตรัยเนี่ยอยู่ที่คุณของพระรัตนตรยัยทั้นถ้าหากว่าเราลงรายละเอียดบางตําแหน่งเกินไป้า พ, พระรัตนตรัยก็ไม่ชัดเจนเมื่อไม่ชัดเจนก็เปรละ แต่หันกลับมาหาพระพุทธเจ้าคืนก็ไม่ได้หันมาหาคําสอนคืนก็ไม่ได้ไม่เข้าใจในความปฏิบัติของพระสงค์เพราะว่าเราเป๋ไอ้การเป๋อย่างนี้เขาเรียกว่าพลาดไปเผลอไปไอ้ความพลั้งเผลออันนี้เรียกว่าหลงลืมสติแต่คนที่สติไม่ดีก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะเขาไม่มีศรัทธาเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรการพลั้งเผลอเผลอเรนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา บุคคลที่เผลอบ่อยๆใจจะตั้งมั่นมาแต่ไหนนะจิตใจก็เต็มไปด้วยความฟุง้งซ่านเหมือนอย่างว่าคนที่ไปที่ไหนทําสตังหายบ่อยๆเข้าเขาจะมีความสุขไหมไปที่โน่นก็เสียหายทรัพย์สินมาไปที่นั่นก็ถูกปล้นมาไปที่นี่ก็ถูกโกงมาถามว่าจิตใจของเขาจะตั้งมั่นไหมไม่ตั้งมั่นฉันใดคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรเป็นคนที่หลงลืมสติก็ฉันนั้น เป็นคนที่มีจิตฟุ้งซ่านเนี่ยนะเป็นคนที่มีจิตฟุ้งซ่านคนที่มีจิตฟุ้งซ่านจากมีปัญญามาแต่ไหนท่านบอกว่าเหมือนฟักอยู่บนหลังลาฟักแฝงแตงกวาเนี่ยนะมันตั้งอยู่บนหลังลาได้ไหมดอกกระทุ่มอยู่บนศีรษะคนหัวล้านว่า้นไม่รู้ดอกกระทุ่มเป็นยังไงยังนึกไม่ออกเหมือนกันมัตั้งอยู่มันตั้งอยู่ไม่ได้ฉันใดเปรียบเหมือนว่าผู้ที่ใจไม่ตั้งมั่นที่จะรู้เห็นอริยสัจตามเป็นจริงก็ไม่ใช่ ฐานะทั้นที่สําคัญมากเลยก็คือศรัทธาเพระองคตัว่าบุคคลจะก้าวล่วงโอเะได้ด้วยศรัทธาพรันการมีศรัทธานั้นศรัทธาที่ไม่พลาดศรัทธาที่ไม่ผิดก็คือศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างในยุคหลังๆเนี่ยไม่มีคําว่าเกินหรอกมีแต่คําว่าขาดอย่างเดียวมีแต่คําว่าบกพร่องศรัทธาอาจจะมีจริงแต่ว่าคุณภาพของศรัทธาวัดกันที่ไหน วัดกันที่ปัญญาว่าเข้าใจในพระคุณเท่าไรแต่จะเข้าใจน้อยเข้าใจมากศรัทธามากศรัทธาน้อยถึงจะน้อยก็เหมือนกับเราเดินไปเดินทางในทะเลทรายมีน้ำไปแก้วเดียวมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมเอาไปแก้วเดียวเวลากระหายนี่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ถ้าเราเอาไปลิตหนึ่งเอาก็มีประโยชน์มากกว่าแก้วเดียว ถ้าเราขนน้าเอาไปเนี่ยเป็นถังก็มีมากกว่าลิตหนึ่งถ้าเรามีรถบรรทุกน้าไปเลยล่ะก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเป็นถังเทนี้ถ้าหากว่าเรามีบอ่อน้าตลอดสายเลยเป็นยังไงก็ดีกว่านั้นทีนี้ถ้าไปในถนนเส้นทางที่เต็มไปด้วยน้ำไม่กันแดนไม่กันดานน้ำไม่ขาดแคลนน้ำมีน้ำวางทั่วตลอดดื่มเมื่อไหร่ประสงค์จะดื่มเมื่อไหร่ก็ดื่มได้ ทันทีอันนั้นดีกว่าไหมก็ดีกว่าฉันใดเราทั้งหลายถ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแม้ศรัทธาจะน้อยก็ยังมีประโยชน์เพิ่มกว่านั้นก็มีประโยชน์ถ้ายิ่งเพิ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นแต่ขึ้นชื่อว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าที่น้อยไม่มีเพราะว่าผู้ที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่อะนะพระพุทธเจ้าเป็นอภิภูเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครอบงําโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เราก็คงไม่เผลอไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าก็คือสังขารธรรมก็คือสังขตะธรรมสิ่งใดที่เป็นสังขารธรรมสิ่งใดที่เป็นสังขตะธรรมสิ่งนั้นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือนิยามเป็นธรรมนิยามเป็นความแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านี้แต่มีคุณมากจริงๆนะนะ ในบรรดาสัสตว์ที่เรียกว่าสังขารที่ประชุมกันโวหารว่าเป็นสัตว์ผู้ที่มีพระคุณเสมอด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีพระองค์นีม้มีพระคุณมากมายิ่งนะักมีคุณหาประมาณไม่ได้ซึ่งก็อย่างว่านะเราทั้งหลายก็เพิ่มพูนสติปัญญาเจริญศรัทธาในคุณของพระองค์อย่าเบื่ อ, อย่านายเพันถ้าเราไม่มีทัพย์คือศรัทธาอย่าคิดเลยว่าจะปิดอบายได้ข้ามอบายไม่ได้หรอกคิดถึงตรงไหนใจก็พร่องด้วย ศรัทธาศรัทธานี่เป็นทรัพย์ที่เอาไว้ใช้จ่ายได้ทุกขนทุกแห่งทุกการทุกสถานที่ถ้าเราไม่มีศรัทธาทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะเราคิดถึงลูกเราจะออกจากอาบายได้ยังไงคิดถึงบ้านเราจะออกจากอาบายได้ยังไงเพราะว่าวันวันห น, น, นึ่งเนี่ยนะจิตของเรานี่โครจรไปทุกขนทุกแห่งโคจรไปในเรื่องราวมากมายแล้วถ้าเราไม่มีศรัทธาแล้วเราจะออกจากอบายเหล่านั้นได้อย่างไรเนี่ย อย่าคิดว่าออกกันง่ายๆก็เหมือนกับว่าที่กล่าวบ่อยๆว่าชายคนหนึ่งเกิดมารังเกียจความยากจนเหลือเกินเกิดมาจนจนจะกินก็ไม่มีกินอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนกว่าจะได้กินผลไม้ลูกหนึ่งเนี่ยเดินหาบเรียกว่าเดินเป็นสิบกิโลเพิ่งได้ไอ้ลูกไม้ลูกหนึ่งที่มันคล้ายๆลําไยลูกเล็กกว่าลําไย เสร็จแล้วรสมันหวานแต่ไม่ได้อร่อยแบบลำไ ย, ยนะมันอร่อยเลวกว่าลำไยยี่สิบเท่าแล้วก็ถ้าทานมากๆด้วยมันคันอีกปงะหัตแต่ก็ยังนีได้มีปลาล่อมปลาเล่บนในในท้องทุ่งนายอย่างนั้นก็ยังได้ก็จากหาไอผลไม้ลูกเล็กๆเนี่ยก็ยังหายากเพราะเกิดมามันจนจนแล้วถามว่าจะมีสวนลำไ ย, ยเนี่ยนะให้กินได้ตลอดไปเนี่ยทายัางไง บอเกิดมาเนี่ยแหมข้าวไม่พอจะกรอกหม้อเลยแต่ละมื้อแต่ละมื้อจะต้องทํานาเท่าไหร่จึงจะมีข้าวกรอกหม้อตลอดปีเนี่ยนะที่ที่ไม่มีไม่มีที่ซื้อข้าวขายข้าวในน่านําไงนี้เราก็บอกว่าการเดินทางมันต้องใช้ยานพาหนะใช้สังขารทั้งหลายเนี่ยนะฉันชีวิตที่อยู่ในโลกเนี่ยจะเพียบพร้อมสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่ได้โดยง่ายได้จากสติปัญญาได้จากความรู้ได้จากบุญเก่าเป็นต้นฉันได้เราบอกเบื่อหน่ายเลือกเกินสังสารวัฏ เราเกลียนรกมากเห็นโทษของการเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเราเห็นทุกโทษของการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ยากแล้วเร า, เอาอะไรเป็นเครื่องออกเรามีศรัทธาแค่ไหนเดี๋ยวนเรามีศรัทธาพอที่จะออกจากวัฏจุลุกได้ไหมเขาบอกว่าแค่นั่งจรวดไปท่องจักรวาลไม่กี่วันเนี่ยนะเป็นพันล้านเหรียญพันล้านเหรียญเนี่ยนะ ไม่ใช่น้อยเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวจักรวาลไม่กี่วันเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่ก็บอกว่ายังแพงขนาดนั้นแล้วเรามีอริยทรัพย์อะไรพอที่จะไปอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ได้นานเพราะสมบัติเหล่านั้นมันก็ของชั่วคราวมันก็เหมือนกับว่าเราไปนอนโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นพิเศษอนะมีสกีมีสกักกี่บาทที่ว่าไปนอนอยู่ที่นั่นแล้วแม้ตลอดไปเนี่ยนะตลอดไปเนี่ยนะถ้ามันอยู่ด้วยผลของบุญ นี่ก็เหมือนกันแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ของเราทั้งหลายก็ด ำ, ดำรงอยู่ด้วยผลของบุญทีนี้เราจะเพิ่มพูนบุญของเราได้อย่างไรเราจะสร้างบุญได้อย่างไรพันเราเกิดมาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วเกิดมาพบเห็นพระพุทธศาสนารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเราจะปล่อยโอกาสแห่งบุญเหล่านี้ให้ผ่านไปนะท่านสุเมศบัณฑิตท่านบอกว่าขณะยาล่วงเลยเราไปเลยขณะนี้เป็นขณะที่เราจะ ปลูกบุญเนี่ยนะปลูกบุญลงในพระพุทธศาสนาหลายคนเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าขณะของเราอย่าได้ล่วงเลยไปเลยเราก็เหมือนกันถึงมาเกิดในตอนปลายเราก็ไม่ควรปล่อยให้ขณะของเรานี้ล่วงเลยไปเนะเพราะคนที่พระ อ, องค์ตรัสว่าในอัคคณะสูตรอังคุตรนิกายอัตการนิบาศบอกว่าคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปย่อมยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากย่อมเดือดร้อนย่อม เศร้ากคนที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปจะไปไหนก็ปลาเป็นฝูงพึ่งเป็นรังปลวกเป็นจอมเลยว่างั้นเถอะมากมายหาประมาณไม่ได้เยอะแยะไปหมดสัตว์น้ำก็มากกว่าสัตว์บกที่กล่าวไปอีกเยอะเนี่ยนะเราจึงทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยได้โคจรไปกับพระพุทธเจ้าดังที่ท่านพระปิงคีย ะ, ะท่านบอกว่ากายของท่านจะห่างพระสมณโคดมก็จริงแต่ใจของท่านไม่หา ศรัทธาปีติเป็นต้นของท่านโคโจรไปในพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าันของเราต้องปกติโดยพื้นฐานและเราเป็นอนาถาทางจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งคาว่าไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งนี่แปลว่าอะไรแปลว่าจิตใจของเราไม่มีความมั่นใจอะไรเลยชีวิตเต็มอยู่ด้วยความจริงๆแล้วพื้นฐานลึกๆทุกคนอยู่ด้วยความหวาดระแวง อยู่ด้วยความหวาดสะดุ้งอยู่ด้วยความไม่แน่ใจเห็นไหมไม่แน่ใจเลยเขาบอกว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งอะไรแม้กระทั่งคู่ครองก็ยังไม่รู้สึกว่ามั่นใจจริงๆใช่ไหมทรัพย์สินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามั่นใจอย่างแท้จริงสุขภาพก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามั่นใจจริงๆความคิดก็ไม่มั่นใจว่าไอ้ความคิดนี่มันแน่จริงเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยภัยเต็มไปด้วยอะไรนะสิ่งที่น่าหวาดระแวงเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าหวาดเสียวเป็นที่ตั้งแห่งการขนพองสยองเกล้า เป็นที่ตั 1941, so ้งแห่งความไม่มั่นใจถึงจะมั่นใจแล้วมั่นให้มันเป็นอะไรล่ะถึงจะบอกว่าฉันมั่นใจแล้วเอามั่นในอะไรมั่นว่าใจมันก็ไม่มั่นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอย่างนี้ก็แจ๋วแล้วมั่นใจแน่นอนว่าใจก็ไม่มั่นใจก็บอดแน่ดอกน้อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงนั่นแหละฮอ่ะแล้วมั่นใจแล้วไอ้ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงใจที่ไม่เที่ยงบางอย่างเป็นกุศลไม่เที่ยงบางอย่างเป็นอกุศลบางอย่างเป็นอพยกตะ อพยากตะบางอย่างเกิดในอบายอัพยากตะบางอย่างเกิดในทุกคติอเหตุกะปฏิสนทิวิบากบางอย่างเป็นทวิเหตุบางอย่างเป็นติเหตุบางอย่างเป็นกามมาวจรบางอย่างเป็นรูปาวจรบางอย่างเป็นอรูปาวจรแล้วจะเอาใจประเภทไหนประเภทอพยากตะแล้วกุศลล่ะอกุศลอกุศลประเภทไหนบรรณาปริตตามหากตะและประมาณะและอกุศลเป็นอกุศลประเภทไหนล่ะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความมั่นใจจริงๆเนี่ยนะ ถ้าชีวิตของเราที่ไม่มีสาระเนะี่ยมันจึงเต็มไปด้วยความหวาดเสียวเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเนี่ยนะไอ้ความไม่แน่ใจเนี่ยนะใจเหล่านี้ใจแบบนี้แหละเรียกว่าใจอนาถาใจไร้ที่พึ่งใจที่ไม่มีสาระเนี่ยนะใจที่ไม่แน่นอนเขามายเขาว่าเพราะมันคิดเรื่องอะไรแล้วมันก็ไม่มีความแน่ใจแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าผู้มีปัญญารู้คุณของพระพุทธเจ้า ใจก็จะมีเกาะที่แน่แล้วถือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพระองค์เป็นผู้คงที่เนี่ยนะเป็นผู้คงที่เป็นผู้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเมื่อพระองค์เป็นผู้คงที่เป็นผู้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเราก็ประฏิสถานใจของเราที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเป็นต้นในพระพุทธเจ้าปั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมที่มั่นคงเช่นใดทําให้พระองค์มั่นคง เราก็มีส่วนที่จะได้ตรัสรูธ้ธรรมที่มั่นคงเหล่านั้นตามพระองค์เพราะอะไรเพราะเรานับถือพระองค์เราบูชาพระองค์เราก็เชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์มรดกของพ่อแม่ตกที่ไหนถ้าเราไม่เป็นลูกอักตันยูซะก่อนเนี่ยตอนก่อนท่านปลดทิ้งซะนะแต่แล้วถามว่ามรดกของท่านจะตกอยู่ที่ใครก็ตกอยู่ที่เรามรดกของพระพุทธเจ้าคือมรดกแห่งธรรมคุณธรรมที่พระองค์บำเพ็ญตกอยู่ที่ใคร ก็อยู่ที่ผู้รับผู้ได้รับไปของก็อของผู้นั้นพันถ้าเราเลื่อมสายในพระองค์เราก็าคือคนที่ขอแบ่งทรัพย์จากพระองค์นั้นคําสอนที่พระองค์ทิ้งเอาไว้ให้เราศึกษาคําสอนที่พระองค์ฝากเอาไว้ให้เราศึกษาตามปฏิบัติตามการศึกษาและการปฏิบัติเหล่านี้ก็คือการเพิ่มทรัพย์ของเราเพิ <c oughs> <ๆ>่มทรัพย์ของเราเราก็ศึกษาว่าเป็นการเพิ่มศรัทธาเรียนพระธรรมฟังพระธรรมเพื่อเพิ่มศรัทธา ศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเทียนเพื่อเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาเพื่อเพิ่มอินทรี่ห้าพระองค์ตรัสว่าอินทรี่ห้ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างลงอ ม, มะตะเป็นที่สุดมีอ ม, มะตะเป็นที่สุดเนี่ยนะก็คืออย่างลงสู่ความไม่ตายเพราะพระนิพพานแปลว่าทำที่ไม่ตายทำที่พ้นจากความโศกธทมที่ดับความโศกธรรมที่ดับความเร่าร้อนอนธรรมที่ทําให้สงบและเยือกเย็นเนี่ยนะ ก็เพราะตรัสรูพ้พระนิพพานท่านคุณธรรมที่เราจะเพิ่มพูนได้ก็เกิดจากการโคจรไปในคูณของพระพุทธเจ้าวันถ้าเราเบื่อพระพุทธเจ้าเมื่อใดเราก็บอกว่าวันนั้นคือวันที่อะไรนะวันถูกประหารวันวันที่ถูกประหารชีวิตวันไหนที่เราเบื่อคำที่พระพุทธเจ้าสอนวันนั้นก็เราก็เบื่อเลือกเกินสุขติเนี่ยนะวันใดที่เราเบื่อความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายวันนั้นเราก็เบื่อเลือกเกิน มนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะก็เท่ากับว่ายินดีในอบายเนี่ยนะมันก็ต้องแยกแยะให้ได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมทั้งหมดหรือทิง้งเอาเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้บอกว่าพระองค์ไปที่ไหนพระองค์ก็ยืนยันว่าที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งพระองค์จึงไม่เป็นพระพุทธเจ้า อธิบายเพิ่มเติมเต็มว่าก็เนื่องจากพระองค์รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งแต่ที่สําคัญที่สุดคือพระองค์เจริญสิ่งที่ควรเจริญพระองค์เจริญทานมาศีอสงไขยแสนกัปเจริญเศนเจริญเนกคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขามาศีอสงไขยแสนกัปอันนั้นคือความต่อเนื่อง แต่ที่สําคัญเนี่ยจะต้องให้มีคุณธรรมนี้เกิดขึ้นก่อนสร้างคุณธรรมคือทานศีลเนคขมมะเป็นต้นให้เกิดขึ้นในใจก่อนแล้วยืดขยายระยะเวลากุศลแธรรมเหล่านี้นะหมายความว่าสร้างทานให้เกิดขึ้นในใจสร้างศีลสร้างเนคขมมะสร้างปัญญาสร้างวิริยะสร้างคันติสร้างสัจจะสร้างอธิษฐานสร้างเมตตาและอุเบกขาอุปปารมีเป็นต้นให้เกิดขึ้นในจิตใจตอนแรกที่ยังไม่มีก็ทําให้มันมีขึ้นก็ถือว่ายาก ทำให้มันมีขึ้นเมื่อมีแล้วทำไง ย, ยืดขยายอายุของบุญเหล่านี้ให้มันยาวจากเคยเกิดขึ้นนิดหน่อย2นาทีให้เป็น5นาที10นาทีหรือจากครึ่งชั่วโมงเป็น 2- อสามชั่วโมงหรือจาก10ชั่วโมงก็เป็นเป็นวันเลยหรือเจริญแค่อาทิตย์ละวันก็เป็น2วันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากจากปริมาณเป็นอสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแล้วก็เป็นหลายๆปีหลายๆ10บปีแต่แมกของเราเกิดมาในยุคบุญน้อย น่าจะได้หลายหลายร้อยปีหน่อยนะถ้าได้ยุคหลายหลายร้อยปีนี่เราคงได้บุญกว่านี้อีกเยอะนะนะแต่เสียดายเนี่ยเกิดมาในยุคสมัยที่ผู้นำไม่มีไม่มีธรร ม, มไม่ได้ครองธรรมเมื่อผู้นำไม่มีธรรมบริวารเป็นต้นก็ไม่มีธรรมเมื่อบริวารเป็นต้นไม่มีธรรมฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาธัญญาหารก็ไร้คุณภาพ เมื่อไร้คุณภาพผู้ใดบริโภคสิ่งเหล่านี้ไปโรคภัยก็เบียดเบียนเป็นเหตุให้อายุสัน้นในที่สุดก็ไหลก็เกิดมาก็อายุสัน้นยิ่งอายุสัน้นเท่าไหร่กิเลสยิ่งมีกําลังมากเท่านั้นกิเลสไม่ได้อ่อนให้เลยกิเลสแรงกว่าเดิมมากมายเพราะงัก็เราก็ถือว่าจะว่าบุญมาก ก, ามาก็มากมากตรงที่ได้พบพระพุทธศาสนาจะว่าบุญน้อยก็น้อยเพราะอยู่ปลาย ศาสนาไอ้ปลายศาสนาไม่ว่าก็เป็นปลายชนิดที่เรียกว่านะก็อย่างว่านะอะไรก็เช่นปลายฝนก็ถือว่าน้ําไม่ค่อยมากแล้วนะฉันได้ก็ดีอาหารที่รําแม่เขาทานอิ่มกันแล้วเนี่ยนะไปแก็บปลายโต๊ะอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเดือดร้อนถ้าเป็นพระพิสูจนหลายกลุ่มนะบอกโอ้โตักอาหารปลายแถวนี้รู้เลยว่าแทบไม่เหลืออะไรให้ตักแล้วอย่างนั้นนะนะนี่ก็เหมือนกันนั้นของเราเกิดมาในยุคนี้แต่ก็ช่างเถอะ แปลสภาพได้เนี่ยนะพัฒนาขึ้นได้มีศรัทธาไวมล่ะมีความเพียรไหมถ้าหากว่าเรามีความเพียรที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้เราก็สามารถทาที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าเรายังปล่อยจิตปล่อยใจให้เวลาเป็นไปกับคำสอนอยู่ระยะหนึ่งเราจะตั้งต้นได้ อ, อีก น, นัยนึเราจะตั้งตนได้เนี่ยนะหมายความว่าเราจะช่วยเหลือตัวเองได้ใน ที่สุดขอให้เราได้ประครับประครองใจให้เป็นไปกับคําสอนสักระยะหนึ่งให้เวลาเท่าไหร่ดีใช้เวลาบ่มเท่าไหร่ดีให้ใจเป็นไปกับคําสอนเท่าไหร่ดีจึงจะมั่นคงกี่ ป, ปีดีเนาะนะก็ก็เอาเวลา ก, กันว่าสมควรจะบ่มใจกับคําสอนขนาดไหนจึงจะมั่นคงพอที่จะตั้งตนได้พอที่จะช่วยเหลือได้ชีวิตของเราที่จเจริญเติบโตมาเนี่ยนะ กว่าจะตั้งตนได้มีครอบครัวเองได้อะไรได้ก็ใช้เวลาไม่ใช่น้อยชั้นใดแล้วอริยทรัพย์ล่ะกว่าที่เราจะตั้งตนเพิ่มอริยทรัพย์ได้ตั้งต้นเพิ่มอริยทรัพย์ได้และให้อริยทรัพย์เกิดอย่างยาวแต่เชิงเถ อ, อยังไงก็ตามขอว่าให้จักรีกว่าใ จ, จาเป็นไปกับคําสอนถ้ากายวา จ, จาใจเป็นไปกับคําสอนอยู่เสมออย่างไรก็ไม่เสื่อมพระบอกพระ อ, องค์บอกว่าผู้ใฝ่ทําเป็นผู้ เจริญธรรมะกาโมผวังโหติผู้รักในธรรมผู้นั้นก็เจริญก็ในโลกนี้มันก็เป็นสิ่งที่แปลกนะผู้ใดรักงานผู้นั้นก็เจริญในงานผู้ใดรักรักอะไรก็จะมีสิ่งนั้นนะสรุปฉันใดก็ดีผู้ที่รักในธรรมะผู้นั้นก็จะเจริญงอกงามในธรรมะผู้ที่รักในความดีก็จะเจริญงอกงามในคุณงามความดีนะผู้ที่รักหน้าที่การงานก็จะเจริญในหน้าที่การงานเป็นต้น อันถ้าเรารักมงคล38เราก็จะเจริญด้วยมงคลทั้ง38ถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเราก็จเจริญในาศาสนาของพระองค์เนี่ยนะทีนี้การที่เราจะรักพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องรู้จักพระพุทธเจ้าให้เพียงพอพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ายักษขะก็ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลที่จะระลึกถึงพระองค์ได้ง่ายเพราะว่าสัตว์บุรุษกับอสัต์บุรุษนั้นห่างกันในสุวิทูรสูตรอังคุตระนิการจตุการนิบาสพระองค์บอกว่า ข้างที่ดวงอาทิตย์ตกกับข้างที่เออข้างที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับข้างที่ดวงอาทิตย์ตกห่างกันข้างทะเลคนลาฟ้าก็ห่างกันฉันใดธรรมะของสัตว์บุรุษก็กับของอาสัตว์บุรุษห่างกันยิ่งกว่านั้นอะเหมือนกับท้องฟ้ากับแผ่นดินก็ห่างกันกับสุวิทูรห่างมากห่างจริงๆฉันใดธรรมของสัตว์บุรุษกับอาสัตว์บุรุษก็ห่างกัน ฉั น, นั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมนะนะพระองค์นี้เป็นธรรมราชาพวกบุคคลที่มีใจเป็นอาธรรมก็หก่างจากพระองค์หรืออีกในหนึ่งนะก็เหมือนพระราชาผู้ทรงธรรมเนี่ยนะพวกโจรทั้งหลายเนี่ยไม่กล้าเข้าเข้าใกล้มันถ้าเราพัฒนาตัวเองให้กายสุจเรศวจีสุจเรตมโนสุจเรตให้คุณธรรมเราก็จะใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ ไม่เสื่อมแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ที่เจริญโดยส่วนเดียวพ ร, พระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมทั้งหมดเจริญทั้งหมดก็เพื่อให้มีปัญญาเมื่อพระองค์มีปัญญาก็จะได้รู้แจ้งแทงตลอดโลกุตรธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนทั้งหมดเหล่านี้คําสอนทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อเพิ่มพูนอริยท ร, รัพย์สรุปว่าเราคงไม่หลงประเด็นว่าการศึกษา จริยาปิดกก็เท่ากับศึกษาพระปุพพจริยาคุณการศึกษาปุพพจริยาคุณก็เพิ่มอะไรเพิ่มศรัทธาเนี่ยนะเพิ่มสัจ ท, ทินรีผู้มีศรัทธาจะเกียดคร้านไหมไม่เกียดคร้านเพราะคนที่มีศรัทธาก็คือคนที่มีฉันทะคนที่มีศรัทธามีฉันทะมีวิทยะอย่างนี้เป็นคนที่เพียรมากมายแบบนี้ แล้วขยันถูกที่ด้วยขยันถูกต้องด้วยนี่จะได้รับประโยชน์เต็มที่ไหมก็จะได้รับประโยชน์เต็มที่มันผู้ใดศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงไม่ผิดมีสติโคจรไปในคนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดในยุคนี้ถ้าเราจะถามหาไอ้คำว่าไม่ผิดถูกโดยส่วนเดียวก็คือเอาตามพรตนะตรัยเข้าว่ามันทุกอย่างถ้าเรามุ่งสู่พรตนะตรยัยน้อมไปหาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ชีวิตของเราก็จเจริญโดย ส่วนเดียวแต่ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพอไม่รู้จะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้กี่โมงเหมือ น, นะคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโทพุดโทเลยหมดเวลาแล้วเหนื่อยหลับเลยคนี้ตื่นมาฟุ้งซ่านต่อ